วันนี้จะได้แสดงพระสูตรที่สองคืออนัตตลกนณสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันทั้งห้าประการคือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจกรักรวรนันสูตรโปรดพระปัญจวัคคีแล้วปัญญ า, ากลทัญญาหรือท่านกลทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดานี่เราเรียกว่าธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมซึ่งหมายความว่าเป็นตาปัญญาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของท่านเมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือดอ้วยอำนาจตัณหามานะทิฐิลงไปได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านทิฐิ เพระนาะฉะนั้นพระสวสดาบัลจึงละอิสากายทิทิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนที่เราถือเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจที่ไปกําหนดหมายในขันทั้งห้าว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเรามีในขันห้าขันห้ามีในเราโดยสรุปก็เมื่อขันมีห้าก็เป็นยี่สิบแนวตอนนี้ท่านก็ละได้ แล้วก็ละความเคลือบแครงสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นลงไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปทำลายกองอวิชาด้วยนะไปยังยังทำลายไม่หมดกับละการถือมั่นด้วยศีลวัดและข้อปฏิบัติที่เชื่อถือกันว่าครั้งศักศดิ์สิทธิ์โดยอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง เป็นการปักใจลงไปในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งควี่จริงก็เป็นลักษณะของอุปาทานประการหนึ่งเนกันทั้งก็ละได้ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะที่เรียกว่าปกินกะเทศนาเป็นการปรับมัธยาสัยพื้นฐานของอีกสีท่านคือท่านว่าปะพัธิยะมานามะแลวก็อสิชิก็ปรากฏว่าตั้งสีท่านนั้นบรรลุ เป็นพระสวดาบันกันวันละรูปเมื่อครบห้าวันก็เป็นพระสวดาบันทั้งหมดปายพระโกนธัญญาเองในฐานะที่เป็นพยานการจัดสรุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกในโลกพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นว่าอัญญาสิวัตโพโกนันโยัญญาสิวัตโพโกนัญโย แปลว่าโกลตัญญะได้รู้แล้วโกลตัญญะได้รู้แล้วคือหมายความว่าคำํำพระพุทธเจ้าทรงรู้วาลจิตของท่านโกลตัญญะด้วยประยานในขณะที่เทศไปก็จบโกลตัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งพรูฐานนี้ขึ้นมาดังนั้นพระโกลตัญญะจึงมีชื่อพิเศษกว่าคนอื่นที่เรียกว่าอัญญากลัญญะก็แปลว่าโกลตัญญะผู้รู้แล้ว แต่จริงพระยะบุคคลท่านก็รู้ตามรู้ตธเจา้าทุกรูปแต่ก็ไม่ใช่คนแรกก็เรียกเฉพาะคนแรกอันคำว่าอัญญาบางทีจึงแปลว่าพระอรหันตอันบุคคลพึงรู้ทั่วคือแปลแปลสูงขึ้นไปกว่าเดิมที่อีกแต่ก็ใช้เรียกพระคกทันญาปึงรูปเดียวเท่า น, นั้นเองต่อมาเมื่อวันแรมห้าค่ำเดือนแป หลังจากแสดงประถมเทศนาแล้วได้5้าวันก็ทรงแสดงอนัตตลกไสูตรในที่เดิมนั้นเน่ยกระสูตรก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังเหมือนกันแปล ว, ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ <c oughs> อิสิปตนะมรุกธายวันแขวงเมืองพารณสีพระน่งแลพระผู้มีพระภาคเจ้า สัเตือนพระภิกษุปัญจวคีให้ฟังภาสิทนี้ว่าก็าความตอนนี้พระอนุเทระเป็นคนกลับเป็นการประกาศแกะระสังคีติก า, าจารย์คืออาจารย์ที่ร่วมกันทำสังคายนาในคราวนั้นคำว่าอิสิปตนะมริกถายวันได้เคยอธิบายมันแล้วก็ยังมีคำว่าพาราณสีเมืองพาราณสีนั้น เป็นเมืองที่มีแม่น้าวารุนกับแม่น้ำอสีไหลามาบรรจบกันแล้วก็ลงที่แม่น้าคงคาจึงเรียกว่าพาราณสีหรือวรุณาสีบางทีก็เรียกว่าวารานสีจุดที่เมืองพาราณสีตั้งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ดึกดำบันมากข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า ชาดกในพระพุทธศาสนาส่วนมากมักจะพูดถึงเรื่องเมืองพาราณสีและพระเจ้าแผ่นดินก็จะชื่อว่าปรมาทัศ์อยู่ด้วยจนคนในสมัยปัจจุบันก็มองเห็นว่าเป็นนิทานที่เล่ากันสนุกสนุกไปงั้นเองมีอย่างที่ไหนชื่ออื่นตั้งเยอะแยะไม่ชื่อไป ช, ชื่อปรมาทัศ์กันทั้งหมดแต่เมื่อเราไปศึกษาดูแลปรากฏว่า ชื่อเดิมนั้นท่านมีนะแต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเรียกว่าพระรหมทัตทั้งหมดปัจจุบันนี้มหาราชาในเมืองฝารั่งเศสก็ยังชื่อพระรหมทัตอยู่แต่ชื่อเดิมนั้นก็ชื่อเดิมก็ไม่เรียกกันเรียกพระเจ้าพรหมทัตทั้งหมดพรหมทัตก็คือคล้ายๆกับโอรสจากสวรรค์นะครับพรหมทัตก็แปลว่าพระพรหมประทานมาทัตตะรือให้ พรหมก็คือพรหมเพราะงั้นคล้ายๆกับโอรสจากสวรรค์จะเป็นโอรสของพระพรหมที่ส่งมาปกครองโลกขอ ง, ของนั้นชื่อเสียใหญ่โตจุดที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าจุดที่เมืองพาราณสีนั้นเป็นจุดที่พวกครามถือว่าครังคนจะมาอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็อาบกันที่ตรงนั้นนักวิทยาศาสตร์เองก็เคยมาทดสอบว่าทําไมมันจึงครั้งได้ โดยเอาเชื้อของวัณโรคไม่ใช่เชื้อฮิวาเชื้อฮิวามาใส่ในน้ำธรรมดากับในน้ำที่ตักมาจากแม่น้าพาราสีเฉพาะจุดนั้นนะปรากฏว่าอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นน้ำธรรมดาเชื้อฮิว่าแพร่ได้รวดเร็วมากแต่ทีใ่ใส่ลงไปในแม่น้ำในจุดนั้นปรากฏว่าตายเรียบก็มาศึกษากันในแง่ของวิชาการมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะแม่แมน้ําคงคานั้นเป็นตอนตอนนะฮะที่ผ่านเมืองพาราณสีเฉพาะในเมืองพาราณสีกับที่จุฬาตรีคูนเนื อ, อนลาหบาัตที่ขลังและนอกนั้นก็ที่ล่างหรือสีเกตออกมามีสามแห่งแต่นั้นเองที่ขลังไม่ใช่ว่าขลังทุกแห่งนะฮะดันั้นเ ร, เราก็ดูได้ว่าที่จุฬาตรีคูนหรือที่อลาหบัตเนี่ยแม่น้ําคงคากับยมุนามาตัดกันก็ทําให้ไอาพวกแร่ธาตุ อะไรตระยต่างๆไหลมาหมุนอยู่ตรงนั้นมาตกอยู่ตรงนั้นก็ทําให้สะสมพวกยาไว้แยะพาราณสีนั้นเป็นจุดที่น้ําหมุนคือน้ําไม่ไหลนะน้ํามันจะหมุนอยู่งั้นเพราะงั้นพวพตกรัของยาแร่ธาแร่ธาตุต่างๆมันมันจะตกครั้อยู่ตรงนั้นแล้วจุดบนใกล้ฤๅษีเกตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือน้ํามาขังแต่ให้ชะล้างอะไรออกมาก็กลายเป็นน้ําออกเกศัศิ์สิทธิ์ไปแต่ที่สําคัญก็คือว่าคนต้องเชื่อด้วยนะ พระตอ น, น, นมาไปอยู่ในเพื่อ น, น, นมาองค์นัอยู่วัดราชนาาเนี่ยก็คิดจะลงล้างบาปเป็นไงไหมทั้งอาบทั้งดื่มเรียบร้อยเลยต้องส่งโรงพยาบาลกันเป็นป่วงหายไปเลย แ, แสดงว่าไม่มีความเชื่ออยู่ด้วยนี่คงจะไม่ได้แล้วเพราะมันสกปรกเหลือเกินพวกพราหมณ์นั้นเขาอาบ เ, เขากันได้แล้วก็อาบกันมาเป็นเวลานานเหลือเกินนานคงจะเป็นหมื่นๆปีนะฮะไม่จะเป็นพันๆปีเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่ออกจะแปลกฟากหนึ่งนั้น คล้ายก็เป็นฝาก น, นรกหรือคนไม่อยู่อีกฟากหนึ่งเป็นฝากสวรรค์หรือฝากที่เขาอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองในปัจจุบันเนี่ยมีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนทับถมกันอาคารนี่คงผ่านเวลามันนานเลือเกินหลายพันปีจนในปัจจุบันนี้ก็ขุดลงไปก็สร้างบ้านทางเมืองอยู่ข้างล่างได้มีอาคารมีตึกรามอยู่ข้างล่างได้ด้วยเพราะวันสูงเหลือเกินจะสูงจากฝั่งแม่น้า ม, มาก นี่ก็เป็นเรื่องเมืองพาราณสีที่ออกจะมีความสําคัญเกิดชื่อมบรรพ์ระเบอดก็ล่าให้งไดหน่อยออในพระธรรมเทศนานั้นก็เฉพาะที่เริ่มต้นคือให้สังเกตว่าข้อความในพระสูตรที่เรากําหนดได้เลยว่าตรงไหนเป็นพระพุทธวจะนะตรงไหนไม่ใช่พระพุทธวจะนะที่เรามาเถียงกันคือแสดงว่าเราไม่ยอมไม่ยอมดูสำนว น, วนโวหาร ตอนต้นนั้นเป็นข้อที่พระนนเทระเล่าให้ฟังพรูเจ้าเริ่มแสดงว่ารูปังพิกเวยนานตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาและทรงให้เหตุผลว่าถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วรูปนี้ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออภิพาตคือมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมดา และาระสว์ทั้งหลายจะตั้งความหวังให้รูปของเราว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> เป็นอย่าง น, น้น <c oughs> ก็หวังกันได้แต่เพราะว่ารูปมันเป็นอนัตตารูปจึงมีการเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยขึ้นมาและศาตว์เองก็มาอาจที่จะตั้งความหวังว่าขอรูปเราจงเป็นอย่างนี้เิอขอรูปเราจะได้เป็นอย่างนั้นได้นี่เป็นหลักที่ทรงแสดงในตอนต้นก็มีประเด็นที่ควรทาความเข้าใจอยู่ สองประเด็นเป็นแรกคือรูปคำมารูปนั้นท่านวิเคราะห์ว่ารูปปฏิติรูปสิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปซึ่งก็หมายความว่ารูปมีทั้งชั้นหยาบชั้นละเอียดบางอย่างมันก็ดูด้วยตาไม่เห็นนะแต่เราก็เรียกว่ารูป ท่านแบงรูปออกไปเป็นยี่สิบดรูปด้วยกันเป็นรูปใหญ่ๆด้วสี่รูปคือดินน้ำลมไฟองนั้นเป็นรูปย่อยๆเขาเรียกว่าอุปาธาญารูปคือรูปที่อิงอาศัยดินน้ำลมไฟเช่นอะไรเช่นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสผัพตระ PHA นี่เป็นรูปแต่ความเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงความดับไปก็เป็นรูป ความเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นรูปเพรา ะ, ะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ย ก, ก็ดูยากเป็นรูปคือไอ้ตัวรูปร่างนั้นคือรูปอยู่แล้วนะฮะแต่ที น, นี้ภาวะตัวภาวะต้องเป็นหญิงเป็นชายก็ท่างก็จัดเป็นรูปเพราะงั้นจึงกล่าวโดยสรุปโดยไม่ต้องท่องนะคือเข้าใจเอาเลยเข้าใจเอาเลยว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตา ได้หูด้วยจมูกด้ลิ้นด้วยกายสิ่งนั้นสรุปเรียงว่ารูปอาจจะประณีตอาจจะไกลอาจจะใกล้อาจจะห ย, ยาบอาจจะละเอียดก็แล้วแต่สิ่งนั้นเราสรุปรวมเรียกว่ารูปทั้งหมดพราะเวลาแสดงนั้นท่านแสดงรูปทั้งภายในภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ว่ า, ยยาเยอะแยไปหมดเลยถ้านั่งท้องมันก็เสียเวลาก็เอาใชว่า แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรียกว่ารู้เวลาไปคุยเรื่องขันห้าอะไรกับใครเนี่ยฮะง่ายนิดเดียวเอาประสาทสัมผัสกําหนดเอาเลยใครท่องมาก็ท่องไปเรากําหนดด้วยประสาทสัมผัสแล้วเราก็บอกได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจนะฮะว่าสิ่งนี้เรารู้กับอะไรอย่างสมมุติเราเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเราจะเห็นว่าเรารู้ด้วยลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มนั้นไม่ใช่ตัวชิ้นอาหารนะฮะตัวโอชะของมันตัวรสของมัน ซึ่งรถจริงๆเราก็ไม่เห็นในตาแต่ว่าทำไมฮะเรารู้ได้ลิน้นเพราะงั้นจึงเป็นรูปเสียงเองเราก็ไม่ได้เห็นในตาแต่มันเป็นรูปเพราะเรารู้ด้วยด้วยหูกลิ่นเองเราก็ไม่เห็นนะฮะแต่มันเป็นรูปเพราะเรารู้ด้วยจมูกไม่ว่ากลิ่นอะไรก็ตามตัว น, นี้ก็อยู่ในกลุ่มรูปทั้งหมดประการที่สองก็คือเป็นอนัตตา ความเป็นอนัตตานั้นเฉพาะในพระสูตรนี้ให้สังเกตนะฮะให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อนัตตาประเด็นเดียวประเด็นว่าเราบังคับไม่ได้วเสอาวัตนาเยวะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับก บ, บัญชาของเราจึงทรงแสดงว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วลืมไปอัตตาอีกคำหนึ่งอัตตาในเรื่องใหญ่มาก อัตานั้นเป็นความเชื่อถือนะฮะเป็นความเชื่อถืออย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาเราแสดงสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นสมมติสัจจะพูดกันด้วยเขาเรียกว่าโลกกนิรุตคือภาษาของโลกโลกกบหานบหานชาวโลกโล ก, กสมัญญาการกําหนดหมายของโลกอันนี้เขาเรียกต้นสายเขาเรียกต้นสายเรียกต้นโพไปอีแห่งก็เรียกต้นโพ ก, ก, ก็โพก็โพก็ไม่ได้ว่าอะไรคือสมมติกันอะ ก็คล้ายๆกันนี่ฮะคล้ายๆกับถิ่นนี่ไปภาคใต้เขาเรียกว่าสตอสตอสตอมาถึงภาคกลางเรียกกระถินกรถินกรถินฝรั่งเนี้ยลูกฝรั่งไปจังหวัดนครเนี่ยเขาเรียกชมพู่ชมพู่ก็ชมพู่มาสุราษฎร์เรียกย่าหมูย่าหมูก็ย่าหมูภาคอีสานหมากสีดาสีดาก็สีดามาถึงกรุงเทพนี้เราเรียกฝรั่งฝรั่งก็ฝรั่งฮะลูกเดียวกันนี่แหละลูกเดียวกันเราเรียกมันอะ เรื่องสมมติเนี่ยเรื่องสมมติเอาเท่านั้นเรื่องสมมติพระพุทธศาสนายอมรับในชังสมมตินะฮะอย่าลืมเพราะงั้นจึงมีพระพุทธดํารัสที่จัดเรื่องอัตตาไว้เป็นอันมากอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่คือภาษาสมมติเป็นภาษาสมมติตนก็คือเราแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนพระพุทธเจ้าเองนั้นแม้แต่ว่าพระองค์เป็นโล ก, กุตระแล้ว แต่เวลาใช้ก็ใช้ภาษาสมม ต, ต, ติใช้คําว่าตถาคตใช้คําว่าเราเราตถาคตคําว่าตถาคตจึงเป็นคําสมมุติขึ้นเรียกองค์เรียกองค์พ ร, ระพุทธเจ้านั่นเองว่าตถาคตนี่เป็นโลกกัสมัญญาโลกกสมมุติโล ก, กโวหารโลกกานิรุตจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนนี่ภาษิตในหมวดตนนี้มีเยอะแยะตนนี้ได้ปรดเข้าใจว่าคือตนโดยสมมุติ เพราะเราพูดแบบสมมติสัจจกกันแต่ว่าตนในความหมายที่ทรงปฏิเสธนั้นเป็นตนแบบแท้จริงกันนะถ้าพูดถึงตนที่แท้จริงนั้นไม่มีเราไม่ยอมรับมันไม่มีตัวตนในสภาพอย่างนั้นทีนีทน้ท่านจะต้องเข้าใจแนวความคิดคำว่าตนคือคำว่าอัตตานะฮะยังฝรัง่งเที่ยงกรษเองเนี่ยฮะสมาคมปาลีเทค สมาคมบลี ป, ประกอบแปลอัตติอั ต, อตนโนนาโถปแปล ว, ว่าตนเล็กเป็นที่พึ่งของตนใหญ่ให้ไปใช่ตนใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเล็กนี้เราจะเห็นว่ามันพอแปลปั๊บแล้วเป็นอะไรเป็นพราหม์แปลมาแล้วก็เป็นพราหม์ไปดืด้อเพราะงั้นเรื่องอนาตตาจึงเป็นเรื่องอัตตาการนาตานีนเป็นเรื่องละเอียดนะเราจะต้องศึกษาแนวความคิดของคําประโยคนี้แตก่อน คือแนวความคิดเดิมของพราหมณ์ดั้งเดิมโบราณมาจริงๆนะฮะก็ถือว่าโลกนี้มีสิ่งอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือรูปรวัตถุเราเรียกว่าประกริตสิ่งหนึ่งนั้นเป็นนามธรรมรู้คิดรู้สึกสามารถเข้าใจได้สามารถจำไ ด, ด้มีความโกรธมีความเกลียดได้แต่เป็นกลุ่มของสระกลุ่มพลังงานเรียกว่าปรมาตมัน เมื่อก่อนไม่มีโลกนะฮะไม่มีสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรมันจะมีสิ่งอยู่สองสิ่งเท่านั้นแล้วต่อมาไอ้สิ่งสองสิ่งเนี่ยซึ่งมันแผ่ครอบคลุมอยู่ทั่วไปนะไอ้ตัวนามธรรมเองมันไม่กินที่ตัวปรมาตามันเองมันไม่กินที่นะเหมือนกับความคิดของเราเนะี่ยเราจะคิดในจุดเดียวกันในที่แห่งเดียวกันมันก็ไม่กินที่อะไรแต่ไอ้ตัวตัววัตถุหรือตัวประกรีนมันกินที่ เพาะงันพอเจอเข้าตัววัตถุนั้นมันมันก็ท่อนไม้ธรรมดาเนี่ยแบบท่อนไม้ธรรมดาคล้ายๆกับร่างกายคนเราเวลาตายมีลักษณะอย่างนี้นต่อมาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จุดตรงนี้มันมันเป็นจุดชีวิตคล้ายๆเออพูด ง, ง่ายๆนะแบบสมมติเราคล้ายๆกับเป็นกลุ่มพลังของจิตมันรวมกันไม่รู้สักกี่แสนกี่กฏแล้วมันก็แยกตัวมาตัวไหนมีความชอบใจในรูปมันก็แยกตัวมาแยกตัวออกมาแยกตัว ก็กลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคิดมาแต่เขาบอกว่าไอ้ไอเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เรียกว่าอัตตาตัวเนี้ยอัตตาบ้างชีโวบ้างชีวาตะมันบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกเรียกว่าเจตพูดบ้างหรือบางทีก็เรียกว่าจิตเนี่ยบางทีเรียกวิญญาณเรียกมโนโมณัตเรียกเยอะแยะหมดเลยแต่สรุปว่าคือตัวตัวที่เราเรียกว่าจิตกันอย่างนี้เมื่อมันเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ย โอ ก, กาสหนึ่งนานะฮะจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะกลับไปรวมกับไอตัวเดิมตัวที่มันแยกมาที่เราเรียกว่าปรมาตามคือจะกลับไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นทีนี้อาการเข้าอยู่รวมมันก็มีแนวก็แล้วแล้วแต่ใครจะคิดกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเนี่ยฮะพอเร า, เาก็อธิบายกันตามอัตโนมัติฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าสังสารสุดชิ คือเกิดเกิดเกิดเกิดตายตายตายตาเกิดเกิดแล้วต่อไปมันบริสุทธิ์เองมันบริสุทธ์เองแล้วก็ข้าวรวมกับปรมา ต, ตามันเหมือนเดิมอีกแนวหนึ่งนั้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามทรมานร่างกายอุปมาร่างกายมือนก็กลมขังชีวิตเอาไว้เหมือนกลงขังอัตตาคือเนี่ยเอกคำคำเนี่ยคำสมมติเนี่ยคำอัตตาเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าอัตตากันแล้วกันนะอัตตาในที่นี้เขาเขาหมายถึงจิตนะฮะ ก็จะทรมานร่างกายได้ความลำบากโดยวิธีการต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เองก็เคยทรมานมาแล้วพอทรมานพอกายเป็นอิสระไม่ใช่จิตเป็นอิสระจากกายคือไม่เขาเรียกว่าสลายความกำหนัดความพอใจในร่างกายออกไปได้แล้วก็จะกลับไปอยู่รวมกับปรมามตมเพราะงั้นจึงมี เรียกตปะปาวิธีตปะวิธีนั้นเป็นวิธีทรมานกายทรมานกายให้รับความลําบากสารพัดอย่างนั้นอีกหนึ่งคือโยคะวิธีวิธีฝึกปลือจิตวิธีฝึกปลือจิตก็สมัยพุทธกาลก็ก่อนพุทธกาลนะฮะว่าจริงก็ทํามาได้ก่อนพุทธกาลก็ฝึกมาได้ถึงอรูปฌานที่สี่ เสีงพระพุทธเจ้าเองก็เคยฝึกมาทั้งสองวิธีนะฮะตปะวิธีคือทรมานกายโยคะวิธีก็คือฝึกจิตเล่ยยันหนึ่งก็คือสังสารสุทธิไม่ต้องทําอะไรมันสบายสบายบริสุทธิ์เองมันฮนะเหมือนกับผ้าเปืือนไม่ต้องไปซักมันนะวันหลังมันสะอาดเองมันจึงก็แปลกเดียวกันนะนแนวความคิดเนี่ยแต่ก็มีคนเชื่อกันนะเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรสบายดยีพวกขี้เกียจจะชอบปรัช ญ, ญาแนวเนี่ยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร ทีนี้อัตราตัวนี้นะฮะอัตราตัวนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าเองโดนโต้ตอบเยอะเลยเรนี้อย่าลืมนะฮะว่าแนวความคิดพวกเทวนิยมทั้งหลายไม่ว่าพราหมณ์หรือคริสหรืออิสลามหรือซิกเองะะหรือแม้แต่เตา่าพวกนี้มีพระเจ้าแล้วจะกล่าวจะกลับไปอยู่รวมกับพระเจ้าเป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้าอะไรต่อไรเนี่ย แนวเดียวกันทั้งหมดาศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องนี้มีเฉพาะปฏิเสธพระเจ้านะมีเฉพาะพุทธเชนแต่เชนเองกลับมีพระเจ้าไม่ใช่มีพระเจ้ามันมีภาวะอย่างไรมีคือตัวตนของแกนี่เที่ยงแท้นะของเชนนี่เชื่อว่าตัวตนเที่ยงแท้แต่จะไปอยู่ในอะไรครับกัเมืองแก้วเมืองแก้วที่เป็นสีวโมกนคร น, นะ หรือว่าเสัมนวนโบราณที่เราพูดกันเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมาตะมหานครนาฤพานนะฮะอยากไปเกิดในในใ น, ในวิมานกันเลนเกินนี่ก็แสดงว่าคริสต์เองไม่ใช่เชนเองก็มีตัวตนมีตัวตนที่เดินทางจากครบสูบ่ครบแต่ทีนี้ของเราล่ะของเรามันอยู่ตรงกลางนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เราเป็นมัชชิมาปฏิปทาดีไม่ดีแล้วพูดพูดไปพูดมาเป็นพรามทั้งรุ่น บางทีพระเราเองเนี่ฮะเทศแต่เนื่องจากไม่ไม่ไม่สามารถแยกระหว่างพุทธกับพรามออกได้ระหว่างพุทธกับเชนออกได้เลยพูดไปพูดมาเลยกลายเป็นพรามไปเทีนิพผ่านเมืองแก้วนั้นคือนิพพานเชนนะเมานิพพานพุทธของเราถือว่ามันเป็นขบวนการขบวนการเช่นว่าความเกิดของวิญญาณนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันต้องมีองค์ประกอบผางรูปวัตถุเช่นประสาทต่าง าตาภาษาหูเป็นต้นแล้วมันก็ต้องมีองค์ประกอบพังภายนอกเช่นว่าจะขู่วิญญาณเห็นรูปอย่างเงี้มันจะต้องมีรูปให้เราเห็นแต่รูปนั้นต้องไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปนะฮะถ้าไกลเกินไปก็มองไม่เห็นชนตาก็มองไม่เห็นมันจะต้องมีอัพโฟกาสคือช่องว่างมีแสงระหว่าง แล้วมีความสนใจคือซึ่งซึ่งเป็นปัจจัยภายในดังนั้นจึงเกิดจักรวิญญาณขึ้นมาทีนี้ถ้ามันขาดสักอย่างมันไม่เกิดจักรวิญญาณไม่เกิดหรือว่าโสตวิญญาณเช่นคนหูหนวกในโสตวิญญาณไม่เกิดหูดับไปเลยอันไม่เกิดเพราะประสาทหูซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะให้เกิดโสตวิญญาณมันไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดเราถือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นขบวนการเป็นกระบวนการที่อิงอาศัยกัน จะต้องมีองค์ประกอบแต่ไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นทิงทั้งหลายจึงเป็นกลุ่มของพลังงานที่มีส่วนประกอบทั้งอิงทั้งด้านที่เป็นรูปวัตถุแล้วก็ตัวของเขาเองตัวงเขาเองก็ต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยอย่างที่เคยเคยบอกว่าแม้แต่ว่าการไปเกิดเนี่ยาาการจะจุติเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏของเขานีไปยอย่างนั้นไหนไปแบบอะไรไปท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับว่า ภาษาภาษาของเขานะฮะคล้ายๆกับว่าคนเราตายเนี่ยฮะมันเหมือนกับบ้านถูกไฟไหม้แต่แล้วเราก็ย้ายบ้านบ้านถูกไฟไหม้อีกเราก็ย้ายบ้านแล้วก็เราก็ไม่เปลี่ยนแปลงฮะเรายัางหนุ่มยังสาวอยู่เหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ของเราในถือว่ามันมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองย้ายบ้านไปเรื่อยไปทั้งตัวอย่างนั้นเลยของเราดันไปโดยองค์ประกอบ ถือจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นว่าจะไปเกิดนี่ต้องมีกิเลสมีกรรมถ้าไม่มีกิเลสมีกรรมไอ้วิญญาณมันก็เกิดไม่ได้จะต้องมีกิเลสกับกรรมจึงจะมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมานี่เป็นองค์ประกอบทางนามธรรมแล้วจะต้องมีองค์ประกอบทางรูปธรรมอีกนี่ก็คือคือความเข้าใจที่แตกต่างกันแต่ว่าความเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้สํารอกการมราคะเป็นต้นว่าที่จริงของอย่างของเชนนี่เขาก็มีนะฮะ ของฮินดูเขาก็มีแต่ว่ากรรมวิธีนั้นแตกต่างกันบ้างแล้วก็เหมือนกันบ้างส่วนมากไม่ค่อยจะเหมือนกันนะหะลกักณัตาจึงเหมือนกับฟ้าผ่าขึ้นมาในสังคมของอารยันเพราะไม่มีใครเคยรู้เรื่องอนัตตามา ก, ก่อนเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้โดยตรงและพระพุทธเจ้าเริ่มกันที่สองแต น, นั้นเอง จึงทให้มีการต่อต้านอย่างสูงโดยเฉพาะจากศาสนาเชนเพราะความเป็นอัตตาคือตัวตนในลักษณะนั้นลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้ว ก, กลับมายัางไงยังไงพอถึงคือคล้ๆกับมันมาถึงมันเปือเป่อนๆแล้วพอสิ่งเปื่อนนั้นออกไปเราก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมทีนี้จากบริสุทธิ์เหมือนเดิมเนี่ยมันก็โยงเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยิน ที่เราอธิบายกันว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่เร้ามองไปเพราะกิเลส ท, ที่จรมานะพระพุทธดํารัสนี้จัดไว้เฉพาะเท่านั้นแต่ว่านักอธิบายรุ่นหลังก็ว่าจิตเดิมนี้ประพัดสอนแต่เร้ามองไปเพราะอุปกิเลส ท, ที่จรมาพอใส่เดิมปั๊บก็เป็นไะไรเป็นพรามเพราะเราไม่มีเดิมนะฮะไม่มีเดิมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะถ้าบริสุทธิ์เดิมบริสุทธิ์ แล้วไปเกิดไปติดกับประกติพอใจในประกติเกิดส้างห้องไปแล้วในที่สุดกลับบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็ อ, อย่าลืมวาไอ้เดิมนั้นมันก็เคยกำหนัดในรูปมันก็เกิดมาสังสารวัฏมันก็ต้องหมุนนะฮะมันมันยังอยู่ในสังสารวักฏพระเะจ้าจึงไม่ใช้คําว่าเดิมนะฮะไม่มีคําว่าเดิมในภาษาบาลีใช้คําว่าประพัสน์ระมีดังพิกขเวจิตตังดูกรภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัฒสอน คำประพันธสอนนั้นหมายความว่าไงคือคุณภาพของจิตเองนั้นน่ยมันสามารถที่จะมันเหมือนอะไรเมืเม่อกะเพชรสามารถที่จะเจริญใได้แต่พอดีมันมีหินคุ่มห่อเอาไว้ซึ่งเหมือนกับอุปกิรณ์วิธีที่จะแก้ก็คือขจัดไอหินนี่ออกไปเมือ่อกจัดหินออกไปแล้วพอเพชร ถ, ถูกเจริญในได้เรียบร้อยแล้วเอาไปวางที่ไหนมันก็ไม่เปื้อนอีก หินซึมไปไม่ได้ครับจิตใจของพระอหันต์ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่กับอารมณ์เลวทรามยังไงก็ตามใครจะดา่าจะว่าจะอะไรอะไร ก, ก็ก็ไม่มีกิเลสอีกแล้วมันเหมือนกับเพชรที่หินไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปหรือโครนตรมไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปได้ในในเพชรอีกแล้วลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ออกจากปณีโตนะฮะสนใจคำว่าแบบนี้คัมพีโรลึก ปนีเรากรลึกเพราะว่าดีไม่ดีมันมั น, ม น, มนค่ า, คากับเราเดินไปกลางเขาอ่ะมันมีซ้ายมีขวาอยู่แล้วเราเดินไปกลางเขาเดินยังไงยาจะแลกออกซ้ายออกขวาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เ, เรื่องอนัตตาในในประเด็นนี้ทรงชี้ประเด็นเดียวนะฮะชี้ประเด็นเดียวว่าทรงให้เหตุผละนะนะนะอย่าลืมมาเหตุผลที่ทรงให้คือจิตนี้เขาบอกไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอัตตาเนี่ยอัตตาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่มันถูกอย่างอื่นมันพุ้มห่อไว้ท่านะพอไอ้สำรรอบพวกนี้ออกได้แล้วแกจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมเลยไปอยู่รวมกับปรมาตามันแนวความคิดนี้ต่อมาเมื่อพระพรหมเป็นรูปร่างขึ้นมาก็คือไปอยู่รวมกับพระพรหมไอ้ที่จริงพระพรหมกับพระยโยวาพระอันลาะจริงก็พวกเดียวกันวงอสัญญาเดียวกันคือไปอยู่รวมฮะไปอยู่รวมกับท่านเหล่านั้นแต่พระโยะวากับพระอนลาะได้แย่หน่อยคือไปอยู่เป็นผู้รับใช้ฮะ พระเจ้าองค์เดียวต้องการคนรับใช้สักกี่ล้านกี่โกรธไม่รู้พระพรหมยังข้อ ย, ยังชั่วนะฮะไปอยู่รวมกับท่านนะก็คงจะเป็นญาติญาติกันแต่ตอนไปรมาตามะ น, นี่ไปอยู่รวมเป็นอันเดียวกันนี่เราจะเห็นว่ า, าลักษณะความคิดในยุคหลังนี่มันแย่นะฮะคือเอาคนไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนเดียวรับใช้ต้องการคนรับใช้ไม่รู้สักกี่ล้านกี่โกรธข้อซึ่งเราจะเห็นว่าแตกต่างกัน เดิมจริงๆยังไงยังไงยังยั ง, ย ง, ยงชักชบริสุทธิ์อยู่นะพอเรากลับไปอยู่รวมกับปรมัตตมันก็เป็นพวกเดียวกันเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวปรมัตตมันเลยคือเข้าวรวมกับปรมัตตมันพอมาถึงพระพรหมก็ไปอยู่รวมกับพระพรหมเป็นเพื่อนฝูงกันพอถึงพระโยบาพรานเลาะเป็นผู้รับใช้เสร็จเราเป็นท่าตลอดการไม่ยอมปล่อยท่าที่เขาปล่อยไม่ยอมไปแนวของของเราจึงไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะ แม้ได้มีลักษณะเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าโดยข้อเท็จจริงที่เขาบอกว่าอัตตาคือใจนะพูดง่ายใจดีกว่าจิตดีกว่าง่ายดีอัตตาคือใจที่ที่เขาหมายถึงนะอย่าลืมว่านี่คือพรามเพาว่าไม่จช่เรว่าถ้าว่าใจมันเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆนะนี่หรือว่าสรุปว่าชีวิตทั้งชีวิตที่ที่อัตตาปรุงแต่งเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะนี่ มันมีได้หรือเปล่ามันก็เปล่าพระพุทธเจ้าบอกท่าอย่างนั้นไอ้รูปนี้ต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทงชี้ที่รูปก่อนนะฮะเพราะรูปมันดูง่ายชีย้ที่รูปก่อนคือคําว่าอาพาธในที่นี้หมายถึงว่าเจ็บไายได้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนอ่ะซึ่งเราเห็นได้ง่ายเลยมันไม่มีลักษณะที่ยืนตัวอยู่ยืนโรงอยู่ตลอดไปเลยแต่มันเปลี่ยนของมันเรื่อยเลยโดยโดยเฉพาะรูปนี้เราเห็นได้ง่าย พระเาทรงชี้ที่รูปก่อนเพราะรูปนั้นมันเห็นได้ชัดกว่าตัวเวทนาแล้วก็สัตว์ทั้งหลายจะตั้งความหวังนะฮะตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะก็หมายความว่าเราก็ต้องการได้ดีๆทั้งหมดแล้วก็จริงแล้วต้องการได้เปล่ก็เปล่าไม่มีใครต้องการอะไรได้เสมมติว่าได้อยู่บ้างก็เป อ, เปอร์เซ็นต์มันไม่เต็มเป้าที่เราต้องการ นันไม่ถึงก็ไม่ได้อะไรเลยแหละแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยโดยสรุปจริงๆแล้วก็เราเราตั้งความหวังไว้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เถิดจะไม่ได้ดังนั้นทรงชี้ในประเด็นต่อไปว่าดูกพรพนสูจน์ทางหลายเพราะเหตุนั้นรูปภยด้า น, นแลรูปจึงเป็นอนัตตาดูกรพิสูจน์ท้งหลายรูปจึงเป็นอนัตตาภยด้านรูปจึงเป็นไปเพื่อ มันเปลี่ยนแปลงไปกันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงกันไปด้วยสัตว์จึงไม่อาจจะตั้งความหวังอะไรได้ขอรูปเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยไปตั้งความหวังไม่ได้ตั้งความหวังในลักษณะนั้นไม่ได้ข้อนี้เพิ่งเห็นว่าเวลาพระโบราณอาจารย์ท่านรวบรวมนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอยางามาเคยบอกว่า พระเจ้ามีหลักในการแสดงธรรมนี่สามหลักซึ่งเราจะต้องจับให้ได้หลักแรกคือทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นพระปัญจวคีเองสามารถเข้าใจประเด็นนี้ได้ก็ชี้เฉพาะประเด็นเดียวประเด็นที่ว่าเราบังคับไม่ได้สองทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอัดตรองตาไม่เห็นจริงได้เราจะเห็นว่าพอชี้ที่ประเด็นของชีวิตหรือว่าตัวตน โดยเฉพาะคือรูปประเด็นเนี่ยรูปที่ประเด็นของความเปลี่ยนแปลงและการตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เถิดยาได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ดูได้ง่ายก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งความหวังเช่นนั้นไม่ได้ข้อ น, นี้คือหลักที่พระองค์ทรงใช้อยู่ตลอดไปโดยในยะหนึ่งนะฮะบางครั้งเวลาแสดงอนัตตาเนี่ยภิกษุยังไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเอาประเด็นไหนกน เพราะประเด็นก็นหน้าตามนี่เจแต่ว่าที่มีแพร่หลายที่สุดนี่จะแสดงอยู่สี่แนวสี่แนวคือหนึ่งบาลีว่าวเสวัตนาเยวะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับมัญชาของเราไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามเราบังคับมันไม่ได้แล้วก็สองอตตะวิปักกพาวโตตรงกันข้ามกับอัตตาของพรามที่ว่า มันมีลักษณะตรงกันข้ามของพรามนี่ยืนโรงอยู่เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่แท้จริงแล้วไม่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่เพราะงั้นจึงตรงกันข้ามกับอัตตาของพรามสุญญติซามีกัตตาจะสุญญต์คือเมื่อย่อยย่อยออกไปนะมันไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราอย่างคนเรานี่ลองย่อยออกไปไม่ต้องเอาอะไรมากย่อยเป็นธาตุสี่มันเป็นกองธาตุแต่นั้นเอง หาคนไม่เจอแล้วหาคนไม่เจอแล้วไม่ไม่ต้องไปย่อยให้มากมายกายกองถึงอาการสามสองแม้แต่ย่อยเป็นเป็นธาตุสีมันก็แบ่งเป็นสีกองนั่นเองลักษณะใดาที่แข็งแข็งซึ่งมีอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟานั้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจ ต, ใตาฟังหูไตปอดท่าใหญ่ท่าน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพวกนี้มันก็เป็นพวกธาตุดินน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูด น, น้ำเหงือ่อน้ำตาเปลวมานน้ำเลือดน้ำเงือ่อ เลือดก็ก็ก็ก็ธาตุน้ำลมหายใจลมในท้องลมในท่าลมตามตัวก็เป็นธาตุลมไฟที่ทํากายอบอุ่นทํากายทุดโสมเผาอาหารให้ย่อยทํากายให้กระบุนกระวายก็เป็นธาตุไฟหมดแล้ะเลยตัวเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่เราจะเห็นว่ามันมันแท้จริงพอย่อยออกไปแล้วมันไม่มีตัวตัวนั้นคือการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆอย่างที่ แ ส, แสดงไว้ว่าเพราะการรวมกันแห่งทะพสะสัมภาระทั้งหลายเสียงที่เรียกว่ารถจึงมีขึ้นมาได้เสียงที่เรียกว่าบ้านเรียกว่าเรือนก็มีขึ้นมาได้แต่เมื่อทะพสะสัมภาระเหล่านั้นย่อยออกไปแล้วเราก็หาความเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยจะมักจะมีอยู่สี่ประเด็นนี้มากที่สุด สี่ประเด็นนี้จะสอนมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าพูดเพียงสี่ประเด็นนะฮะพูดตั้งหลายประเด็นบางทีบ้าก็ตั้งยี่สิบกว่าประเด็นแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราจะเอามาทุกประเด็นมาพูดเนี่ยจะทำให้เกิดสับสนส่วนมากจึงนิยมเอามาเฉพาะสี่ประเด็นพระสงฆ์ใช้มากที่สุดคือเราไม่เป็นเจ้าของอย่างที่ทรงแสดงแกบุคคลทั้งหลายนะฮะ อย่าลืมอันนี้คือคือปรมัตธรรมนะฮะความจริงระดับสูงระดับความความจริงระดับที่แท้จริงที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญารับสั่งว่าคนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายบนเพลย์ อ, อยู่กับทรัพย์ของเราบุตรของเราโคกกเบอืออะไรต่อไรของเราเนี่ยแต่จริงตัวของเราไม่ก็ไม่เป็นของเราทรัพย์ญาติมิตรสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่คือไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเนะ เพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันมีพาสิทธิที่ไม่รู้ใครแต่งคมมากเกนะินยังสืบหาต้นตอคนไม่ได้ที่มีอยู่สองบทนะบทหนึ่งที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชัยไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรจะเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามานี่เป็นการแสดงถึงความไม่เป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่อีกอย่างอย่างหนึ่งก็คืออะไรอันนี้พบที่เมนวัดภษีมหาธาตุ ยดเดล่าหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเป่าไฟนี่มันก็แสดงภาวะความจริงในแบบสังสาระนะฮะแบบสังสาระชั้นหนึ่งแล้วก็แบบของนัตตาอีกชั้นหนึ่งต่อไปก็ส่งแสดงที่เวทนาขันเวทนาขันแปลว่ากองเวทนาได้โปรดเข้าใจนะฮะว่าที่จริงนั้น ชีวิตคนเรามันก็คือขันห้าพูดไปพูดมามันก็ลงที่ขันห้ามันเป็นการเกาะกลุ่มไม่เสร็จรูปนั้นท่านจะเห็นว่าพอแบ่งรูปเป็นย8แแล้วไม่มีอะไรอื่นไปจากนั้นอีกแล้วอาวทนาเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์คือจิตที่เสวยอารมณ์จิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์ซึ่งออกมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง กลางๆบักจะออกมาอย่างนั้นเรียกวทนาคือเราไม่ถือว่าไอตัวตัวตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรู้นะฮะพรุ่งนี้เราถือประสาตานั้นเองเป็นองค์ประกอบทางวัตถุเป็นองค์ประกอบทางวัตถุแต่ขาดเขาไม่ได้เหมือนกันนะถ้าขาดเขาเวทนาส่วนนี้ก็ไม่เกิด เ, เวทนานั้นเมื่อจําแนกออกไปแล้วจะมีตัวตลักษณะของมันนะันจะมีอยู่หกลักษณะ เวลาเราแปลเต็มรูปจริงๆเราแปลว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความว่าในาในกรณีที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดกลางๆขึน้นมาเราก็ใช้คําว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยในกรณีที่หูได้ยินเสียงก็ใช้คำางานเดียวกันนะฮะ ความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสคือการกระทบระหวา่างหูกับเสียงเป็นปัจจัยความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะค า, านะสัมผัสคือจมูกได้กลิน่นเป็นปัจจัยต้องมีปัจจัยนะฮะถ้าไม่มีปัจจัยไม่เกิดเวทนาเฉพาะสายขเขานะฮะเฉพาะสายนั้นแล้วก็มาเรื่อยจนถึงมโนสัมผัสความเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะ จักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพระาะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยชิวหัสัมผัสเป็นปัจจัยกายสัมผัสเป็นปัจจัยมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแสดงว่าต้องมีปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมมีอย่างเดียวไม่ไม่เกิดนะฮะแล้วแม้แต่องค์ประกอบบางอย่างขาดไปเช่นตาบอดอย่างที่ว่าเนะี่ยสัมผัสสายนี้มันก็ไม่เกิดแต่สายอื่นก็เกิดนะฮะ เราว่าเราก็ปร ะ, ประสาทเราไม่ได้เสียหมดแต่นอกจากว่าประสาทมันหมดประสาทมันหมดก็ไม่เก็บอย่างท่านที่เข้าสมาบัตนะฮะว่าที่จริงประสาททั้งหลายของท่านไม่ถึงกระดับนะฮะไม่ถึงกระดับก็ยังมีอยู่แต่แต่เนื่องจากว่าไม่รับไม่รับสัมผัสท่านจึงไม่ไม่ไม่ได้มีการสวยอยารมณ์ก็นั่งนิ่งๆอยู่ได้ ไอ้คนตายนั้นประสาทดับแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งทีนี้ เ, เวทนาโดยจำแนกนั้นท่านจำแนกตามประเภทใหญ่ใหญ่จริงจริงนะคือสุขสุขนั้นแสดงว่าเราสัมผัสอะไรมาฮะสัมผัสสิ่งที่ดีๆมาสัมผัสรูปที่ดีๆรูปที่กำหนดว่าสวยเสียงที่ไพเราะกลิน่นที่หอมรสอร่อยสัมผัสคือปวดพระที่น่าจับต้องแล้วก็อารมณ์ที่น่าพอใจมันก็เกิดเป็นสายสุขขึ้น ถ้าสายทุกก็คือกําหนดตรงกันข้ามทีนี้บระเดกลางๆนั้นคือหมายความว่าเราไม่เคยกําหนดอะไรแก่ไม่เคยกําหนดอะไรแก่ไว้แกอาจจะมีค่าอยู่ในตัวของแกแต่เราก็ไม่เกิดสุขเวทนาเลยเพราะเราไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรเช่นอะไรฮะเช่นเช่นนิทานเรื่องไ ก, ก่แจ้กระพลที่เราเคยเรียนกัน นี่เราจะเห็นว่าในในในตัวค่าแล้วก็พลอยมันก็มีค่าแต่ไก่แจ้ไม่ได้เก็บคุณภาพมันไว้เพราะงั้นพอก่แจ้เห็นเลยไม่เลยเกิดสุขอะไรกันท่านท่านที่แกเห็นนะฮะสัมผัสก็มีวิญญาณก็มีพร้อมะแต่ว่าเวทนากลับเป็นอตุกรมสุขเวทนาคือกลางกลางไปแต่พอคนผิดกับคนฮะพอคนพอเห็นปั๊บแล้วก็เกิดสุขเวทนาเลยเพราะคนได้เก็บคุณค่าเขาหมันไว้นี่คือประเด็นที่ที่ให้สังเกตว่า ตัวแปรนั้นมันอยู่ชี้ใจเราเคยกําหนดเคยกําหนดสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างน้อยครั้งหนึ่งว่าอะไรในในฐานะดีหรือไม่ดีหรือรกลางๆเราก็จะรู้สึกกลางๆใกล้ๆก็คนที่เราพบเนี่ยคนสามคนที่เราพบคนเคยหนึ่งไม่ไม่เคยเป็นไม่เป็นทั้งมิตรไมเป็นทัทง้ทงทั้ศัตรูพบข้าวก็เฉยๆคนหนึ่งเป็นศัตรูครับพบข้าวก็เกิดเป็นทุกขเวทนาคนหนึ่งเป็นมิตรเปิด เ, เกิดพบข้าวก็เกิดเป็นสุขเวทนา นี้ไอลักษณะทางเวทนาเนี่ยท่านจําแนกเวลาท่านจําแนกไม่ต้องไปจําพิษษสดานะฮะจะหมายความวมาท่านแสดงหนึ่งก็ได้อย่างเวทนาขันเนี่ยมันก็แสดงเป็นหนึ่งบางทีก็แสดงเป็นสองคือสุขกระทุกขสุขกระทุกขกกนี่แสดงว่าไอที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนี่มันก็เจืออยู่กับสุขนิดหน่อยบางทีแสดงเป็นสมคือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขบางทีแสดงเป็นห้าบางทีแสดงเป็นอะไแสดงเป็น6บางทีแสดงเป็น9 บังทีแสดงเป็นถหลายสิบแปดสาม8ุดสองร้นะบงันเวลาเขาพูดบางทีไปนั่งเทียงกงันเองเทียงกงันเองเช่นว่าคนจํามาห้าคนหนึ่งจำมาสามแล้วมานั่งเทียงกงันเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้ขีดความสามารถของคนฟังว่าคนฟังนี้มีพื้นฐานประณนตอัจยาสัยมากน้อยแค่ไหนเป็นไรบางทีก็ว่าเช่ละเอียดแต่ถ้าพื้นฐานคนฟังไม่มากนักก็ว่ากันเบาๆาเวชนาทรงแสดงแนวเดียวกัน เวทน า, านัตตาลูกกรพิสูจทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาถ้าว่าเวทนานี้จะเป็นอัตตาตัวตนแล้วเวทนานี้จก ma ักไม่เป็นไปเพื่ออภัหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยปรสาททั้งหลายจะตั้งความหวังให้เวทนาว่าจะตั้งความหวังในเวทนาว่าขอเวทนาจงของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจางได้เป็นอย่างนั้นเลยได้ตั้งความหวังได้แต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออภัพ ประสาทต่งหลายก็ไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอยากได้เป็นอย่างนั้นเถิดได้นี่เวทนานี่เราดูได้ชัดเลยนะดูได้ชัดเช่นเรานั้งนานๆนะฮะเกิดทุกขเวทนาบอกมันหายมันไม่ยอมหายยิ่งปวดใหญ่เลยกําหนดบางที เ, เวทนาแปลว่ า, าปวดหนอปวดหนออะไรแต่เรพวกพวกพวกหนอหนอเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งปวดมันใหญ่เลยบอกมันหายมันไม่หายบังคับมันไม่ได้ บังคับมันไม่ได้มันอยากจะเกิดมันเกิดเราต้องการจะให้เป็นสุขเป็นสุขว่าให้มันสบายสบายมันก็ไม่ยอมสบายบางทีก็จัดที่นั่งที่นอนจะสบายมันต้องการนอนให้สบายนั่งให้สบายสักทีเอาจิตเป็นเหนียวอะไรมาไม่รู้นอนสบายทั้งๆที่นอนอะไรสบายหมดแต่ว่าใจเป็นเหนียวมาเรื่องไม่ดีเลยกลุ่มเลยกลุ่มหายไปเลยบางทีก็กระสับกระส่ายไปแสดงว่าเราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ได้ โดยฐานะนะฮะแต่ก็มีวิธีที่จะฝึกปลือขึ้นมาเพื่อควบคุมได้ควบคุมมันได้ในระดับบางระดับนะฮะแต่จะเอาเข้ามันจริงๆมันก็ก็ไม่ได้โดยโดยสภาพเข้ามันแล้วเนี่ยได้แก่อะไรได้แก่ใจที่เราปล่อยวางในเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าบวกก็ปวดเลยช่างพอไม่ใส่ใจมันมันก็เฉยๆไปเองแต่ว่าส่วนมากแล้วเราไม่ยอม พอปวดเรายิ่งคิดถึงเรื่องปวดได้อย่างนั่งกรรมฐ า, านอย่างนั่งสมาธิเนี่ยพอบางทีพอปวดมันก็ลืมแล้วพุโทโธไม่พุโทโธมันะมานั่งคิดถึงเรื่องปวดนี่แหละนี่แสดงให้เห็นว่าปกติแล้วใจเรานั้นคืออาทรกับร่างกายนี่มากเป็นห่วงเป็นใยเรื่องร่างกายนี่มากเวลาสุขมันก็ชื่นชมกับตรงนั้นน่ะกับกับกายของเราแล้วเวลาทุกข์มันก็ไปเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องร่างกาย ก็ทรงแสดงไว้โดยสภาพเดียวกันนะว่าคือสูตรนั้นเหมือนกันหมดเลยใช้คําเหมือนกันหมดอย่าลืมว่าเวทนานั้นคือใจนะฮะคือใจที่ทําหน้าที่เสวยอารมณ์เขาเรียกเวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกก็ในที่นี้มันก็มีอะไรมีรูปมีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกมีวิญญาณวิญญาณก็คือตัวใจนะก็มีสังขารสังขารก็คือตัวเจตสิกที่รวมกลุ่มนันเยอะแยะ ธนนับเป็น5้าบตัวห้า2บ้าสองชื่อ52ลักษณะด้วยกันเวทนาคือใจที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใจนะฮะแม้จะกระทบกระทั่งอย่างไงจะไม่มีเวทนายอย่างคนตายนะฮะอย่างคนตายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาก็ เ, เหมือนกับท่อนไม้ก็เรียกบางสกุลเป็น บรรดาคุณเป็นที่จริงเป็นกันเทศอย่างดีกันนะฮะแต่ก็โยมโยมมองไปในแง่ที่ที่บางสกุลคล้ายๆกับสวดผีอะไรบอกว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอะปัทวิงอธิเศสติจากนอนทับเหนือแผ่นดินจุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนิรัตทางวะกะลิงกะลังก็มีค่าเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีแกนสารอะไรนะเพราะ ง, งั้น เราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีจิตเวทนาจึงไม่มีใครจะผอมฝอยใครจะทำอะไรไม่ไม่ไม่มีเวทนาเวทนาจึงเป็นงานของจิตแต่ว่าเวทนาเองนั้นมันเป็นเจตสิกเจตสิกหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตมันเหมือนอะไรดู ง, ง่ายง่ายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตระกษัตริยญชนะตัวจิตเองนั้นเหมือนตัวตัวพยัญชนะ แกกออยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่เอาสระมาปรุงแกแกก็ก่ออย่างนั้นเองแกไปไหนไม่ได้เลยแต่พอเอาสระมามาปรุงข้าวในตัวก่อออกเสียงได้เยอะแยะไปหมดเลยตัวขอตัวอะไรตัวอะไรก็เหมือนกันให้จิตเองเหมือนมีลักษณะอย่างนั้นแกเองนั้นแกไปไหนไม่ได้แกเป็นนั่นอย่างนั้นน่ะหรือว่าอุปมาจิตเหมือนกับน้ําเนี่ยอย่างที่ว่าเคยพูดไว้ว่าจิตเหมือนกับน้ําน้ําแกก็สีของแกสีแกเองแกก็เป็นอย่างนั้นน่ะ ว่าจริงแกก็ไม่มีสีเลยครับไปแต่ว่าแกพร้อมที่จะเปลี่ยนเมื่อสีมันมันมันใครเอาสีใส่เข้าไปเนี่ยแกเปลี่ยนก็นกนได้เรืเลยเป็นได้ทุกสีในโลกมีกี่สีเนี่ยเอาใส่ไปในน้ำแกเปลี่ยนได้ตลอดลนี่จิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงะั้นไอ้ลักษณะจิตกระเจตสิกนี่เห็นจะต้องเอ่อทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะฮะมันมันมันจะแยกจากกันไม่ได้เลยที่ก็บอกว่าเอกุปปาดาเนะี่ย คือว่ามันจะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันและจะมีอารมณ์อันเดียวกัน จ, จ, จึงเรียกว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้แม้แต่พระอรหันต์ก้มีเจตสิกนะฮะแต่ว่าเป็นโลโกตระเจตสิกแท่ น, นั้นเองเพราตรบใดที่ยังมีจิตอยู่จะต้องมีเจตสิกเจตสิกมันมันเจตสิกนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตหรือทำจิตให้มันเปลี่ยนแปลงไป ก็คล้ายๆกับสีที่ใส่ลงในน้ําหรือว่าตัวสะระพยัญชนะเ น, นี่ยเอ้ยไม่ใช่ตัวสะระที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงพวกวันอยุพวกอะไรเนี่ยมาเปลียปล่ยนแปลงตัวพยัญชนะ ม, มันเปลี่ยนก็มันไปเรยแต่ว่าตัวมันเองตัวเจตสิกที่เข้ามาเปลี่ยนมันก็คล้ายๆกับเอ่อสีอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเจตสิกจึงมีอยู่สามอย่างเหมือนกันที่เป็นกลางๆก็มียังเวทนาในแกกลา ง, างนาน ก, กลา ง, ลางนะฮะตัวแกเองแกเป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ช่วอะไรหรอกเวทนาสัญญาเองก็เป็นกลางกางนะแต่พวกโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงไอ้พวกนี้พวกนี้เป็นเป็นอกุศลทีนี้เมตตากรุณาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกุศลก็แสดงไอ้เจตสิกก็มีทั้งดีไม่ดีแล้วก็กลางๆทั้งดีทั้งไม่ดีกลางกลางนะั่นก็เป็นเข้ามันอย่างนี้แต่ว่าตัวเวทนาเองเมื่อ อย่งหนึ่งเกิดในอย่างหนึ่งจะไม่เกิดอย่างที่ทรงสแสดงในแก่ทีฆะนักังกิเวสชนะในเวทนาบริกราสูตรเมื่อใดที่สวยสุขเวทนาเมื่อนั้นจะไม่มีทุกขเวทนาเมื่อใดสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นจะไม่มีสุ ข, ขเวทนาพูดมันก็พูดเล่นนะแต่ว่าที่จริงคือความจริงอย่างนั้นนะเหมือนกับเมื่อกระสว่างในมันไม่รวมกันนะ ถ้ามืดก็ไม่สว่างถ้าสว่างก็ไม่มืดถ้าสุขสุขก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ไม่สุขอะคือความจริงจะเป็นอย่างนั้นเวทนาแกจะเกิดได้อย่างเดียวในขณะเดียวเทา่านั้นปัญหาว่าเป็นเวทนาอะไรแต่ว่าตัวของแกเองแล้วแกก็เป็นอนัตตาเฉพาะในช่วงนี้นะฮะทรงแสดงเป็นอนัตตาเพราะเหตุผลก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตาม เป็นการยืนยันถึงความเป็นนักตาของเวทนาเฉพาะในประเด็นนี้นะฮะเพราะว่าก็แล้วแต่ปริยายเทศนาที่ต้องการจะเน้นประเด็นไหนต่อไปก็คือสัญญาโครงสร้างเดียวกันหมดนะฮะโครงสัญญาคืออะไรคือใจที่ทําหน้าที่จําใจที่ทําหน้าที่เก็บทําหน้าที่สะสมอารมณ์ไว้นะคืองานของใจอีกลักษณะนหนึ่งแต่ตัวแกเองก็มีมลักษณะเป็นเจตสิกกันที่ว่ามันเกิดขึ้นกับใจ จำอะไรก็สิ่งที่เราจําเราก็จําไม้หกอย่างนะสิ่งที่เราจําเราเกาะกลุ่มจริงๆได้หกลุ่มกอนนั้นเองคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์แลก็เป็นอารมณ์สัญญาเองเป็นกลางๆตัวแกเองเป็นกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลตัวแกนะฮะแต่ก็พร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะเป็นคือว่าปัญหาว่าไปจําอะไรไว้เอ่อ ทรงใช้ประโยคเดินเหมือนกันดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายสัญญาเป็นอัตตาถ้าสัญญาจากเป็นอัตตาแล้วสัญญาก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออภพาตสัตว์ทั้งหลายจะได้ในสัญญาตามใจหวังวขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดญาติขอสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นได้เพราะงั้นสัญญาจึงมีอยู่6ประเภทเช่นเดียวกวทนาให้เราสังเกตวทนาวิญญาณสัญญา แกจะมีสายเดียวกันเลยคืออย่างละหกหมดะเพราะว่าวิญญาณรู้อารมณ์อะไรจจักปุวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณรู้ทางหูคณะวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นกายจะวิญญาณรู้ทางกายมโนวิญญาณรู้ทางใจเรารู้อะไรเราก็จำอย่างนั้นจำอะไรก็เสเว อ, อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้แกจะแบ่งเป็นชุดแล้วจะได้6กั แบงหกตามประสาทสัมผัสที่เรา ท, ที่ที่เรากระทบมานะฮะที่เรากระทบมาตอนในโลกนี้มั น, เ ป, นเป็นโลกของสัมผัสแล้วสิ่งที่เราจะสัมผัสโลกได้เราก็สัมผัสได้ได้หกสายหกทางคือคื อ, คอตาหูจมูกนิ้นกายใจยอย่างที่ว่าเพราะงั้นเอ่อท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาพระเทพอะไรมันอดจะอดจะมาเจ อ, อ, จเจ อ, อ, อประสาทไม่ได้เพราะมันพูดไปแล้วมันไม่เลยไปจากนี้นะฮะ มันไม่เลยไปไปจากนี้คล hey. well, ้ายๆกับพฤติกรรมเราก็พูดทางกายทางวาจาทางใจมันก็มีเท่านั้นนะมันจะรู้ว่าอะไรไัมก็มีเท่านั้นกายวาจาใจแต่นั่นเองทั้งที่ดี children, <últ ipl demand> ไม่ดีสัญญาก็คือความจำจำได้หมายรู้เนี่ยฮะเราให้ลองสังเกตว่าที่เราจำนั้นเราจำทั้งดีและไม่ดีอย่างที่มาเคยอุปมาให้ฟังว่าใจที่ทำหน้าที่จำมันเหมือนกับภาชนะที่เราเอาของไปใส่ไว้ ไปเก็บไปสะสมเอาไว้ไม่รู้อะไรต่ออะไรใส่ลงไปเลยสายลงไปปัญหาสําคัญว่าเวลาเราคิดนะเราคิดสิ่งที่เราจํานะฮะให้เราสังเกตว่าความคิดเราเกี่ยวเนื่องกับความจําของเราเราคิดได้เฉพาะเรื่องที่เราจำํำมาเรื่องที่เราไม่จำไว้เราคิดไม่ออกถ้าใครจํามากจึงคิดได้มากที่เขาเรียกภูสัจจะซึ่งกรหม่อถึงความถึงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ศึกษาสะดับตระฟูลมากท่านก็คิดอะไรได้มากท่านก็เป็นนักปราชญาไป นะคนที่จำได้น้อยก็คิดได้น้อยแต่ทีนี้ปัญหาว่าจำดีไม่ดีจำดีหรือไม่ดีเอาไว้ก็เหมือนการใส่ของไว้ในภาชนะถ้าเราใส่ของดีๆเอาไว้เวลาเราหยิบขึ้นมันก็เจอของดีทุกทีแต่ถ้าเราใส่ปนเปนไปหมดเลยหรือไม่ดีมากเวลาหยิบก็ไปเจอดีบ้างไม่ดีบ้างหรือบางทีไม่ดีหมดเลยไม่ดีมาเลยเพราะงั้นความคิดของคนจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจสิจ่งที่เขาจไว้ จำดีนะฮะเรียกว่าเก็บดีเก็บดีไว้มันก็หยิบดีออกมาใช้ได้ถ้าเก็บไม่ดีมันก็หยิบไม่ดีออกมาใช้เก็บกลางๆก็เก็บหยิบกลางๆขึ้นมาใช้แต่โดยสัญส ญ, ญาโดยฐานะของแกเองก็เป็นหน้าตาโดยเหตุผลอย่างที่ว่ามาแล้วสองประเด็นนะฮะตรองใช้คำว่าประเด็นเดียวะ ค, คือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปแล้วเราไม่อาจจะตั้งความหวังอะไรได้ โดยสภาพเข้ามานั้นเป็นไปเพื่อาพาดแล้วเราก็ไม่อาจจะตั้งความหวังให้สัญญาของเราว่าเรื่องนี้เขอให้จำได้เท่าไหร่ขาให้จำได้เนี่ยเรื่องนี้ให้ลืมเนี่ยสมมติว่าให้ลืมก็มันไม่ยอมลืมอะไอเรื่องที่อยากจำบางทีมันไม่ยอมจําบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับได้เราสบายมากเลยฮะเราจะเป็นเทปไปเลย <laughs> ฟังเทปทีเดียวอัดไปหมดเลย <laughs> นี่ก็แสดงว่าเราบังคับอะไรแกไม่ได้ทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะไอที่เราไม่ต้องการยิ่งมาใหญ่เลยยิ่งมาใหญ่เรื่องบางเรื่องไม่น่าจํานะฮะ แต่แหมมันฝังรากลึกอยู่ภายในใจเลยเรื่องบางเรื่องน่าจําจะตายไม่ยอมจําสักทีนะบางทีนี่ดูข้าววาัดนานๆเนี่ยรัตนาศีห้ายังไม่ได้เมันเรื่องมันน่าจําจะตายไม่ยอมจํ า, าสักทีนะรัตนาศีห้าไม่ได้พันทัดเดียวเนี่ยรัตนาธรรมยังไม่ได้เนี่ยเรื่องน่าจําไม่จําบางทีก็ไปจําเพลงพระรงได้ไปแผบแผลบแบเรื่องมันไม่ค่อยจําเป็นเราก็ไปจําได้นี่ก็แสดงอะไรฮะแสดงว่า มันเป็นความอนัตตาอย่างนี้นที่เรามันบังคับมันไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นเป็นช่วงแรกแต่ก็ยังไม่จบโดยท่าไปนะฮะก็เวลาครับก็หมดลงพอดีก็จบฝากไว้ก่อนเฉพาะในวันนี้